ทัดท้าบัง ดังคูต้นตสู่แดดผลไม่วันออกดอกช่อนั้นแดงบางงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนา ด้วยคนนุณธรรมนอบนํามสู่การศึกษาส็จนิ้วก้มลงวันถาสถทาน ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับท่นโลกทันเหตุการณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนําเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงนี้นะครับนในช่วงนี้นี่ยรัฐบาลนี่ให้ความสนใจเกกับเรื่องของชาติพันธุ์มากนะออกกฎหมายคุ้มครองนะจากการเปิดเผยของนายเสริมศักดิ์พงภานิตรังตีวัฒนธรรมก็บอกว่า ที่ประชุมคลมมีมติอนุมัติหลักการร่างพรบรคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับแรกของประเทศนะกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือชนกลุ่มน้อยต่างๆแหะครับนะชนชาเขาอะไรต่างๆนะมีหลายชาติพันธุ์ทีเดียวของเราในการคุ้มครองการการสิทธิทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างเสนอเสมอภาคนะไม่เลือกปฏิบัตินะ เพราะฉะนั้นนีตรงนี้นี่ก็จะส่งเสริมเพราะว่าจากการเปิดเผยของนายสมศักดิ์กนีก่บอกว่าในประเทศไทยเรานี่มีกลุ่มชาติพันธุ์อยู่60กลุ่มมีประชากรประมาณ10ล้านคนกระจายอยู่ในพื้นที่ 4,700 ชุมชนทั่วประเทศนะเราก็จะเห็นนะชาวเขาเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นม้งบ้างนะลีซอปากากาย อ, อะไรต่างๆนี่หลากหลายนะครับนะ รวมทั้งอีสานนี่ก็จะมีชาติพันกุยแถวแถวสุรินเลี้ยงช้างนะครับหรือว่าผู้ไทยอยู่แถวสกลนครนครพนม ม, มีมีหลายชาติพันธุ์นะนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ออกกฎหมายมาคุ้มครองนี่ก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะคงจะต้องอช่วยกันนะใ น, ในหลากหลายด้านในการนี้นะครับนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้คงจะต้องติดตามดูนะครับรวมทั้งในช่วงนี้นี่ก็มี ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของขฝุ่นเนี่ยมากนะครับ pm 2 5เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นรหัสถ้าลงแอปนะเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นเนี่ยก็จะเห็นแถวอีสานนี่ทั้งแดงทั้งสีแสดแล้วครับนะรวมทั้งแถวอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์อะไรต่างตนี้ก็ ร, ร, รหัสสีแสดนะก็คือต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตกลางแจ้งซึ่งตรงนี้ในประหลัดกระทรวงสาธารณสุขในแพทย์โอพาสการกวินพงก็บอกว่า ตามสถานการณ์ pm 2.5 นะมีแนวโน้มที่จะรุนแรงเนี่ยก็เลยให้จะมีห้องปอดฝุ่นใน30จังหวัดวางเงนนะครับในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพของของประชาชนนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็คงต้องเฝ้าระวังแะครับนะจังหวัดท่วนใหญ่อยู่ทั้งภาคเหนือแะครับนะแถวีสานเหนือด้วยนะครับนะก็คนป่วยนี่ก็เข้าไปรักษานะก็ต้องระมัดระวังะครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฝุ่นนี่ อนอกจากทางกรุงเทพแล้วก็นในต่างจังหวัดนะการเผาอ้อยเผาสั่งข้าวอะไรต่างๆนี่มีผลนะครับต่อฝุ่นปัญหาเรื่องฝุ่นกันมากซึ่งนากยกเนี่ยก็พยายามที่จะไปติดต่อประสานกับทางกัมพูชาทางประเทศเพื่อนบ้านนะพมา่าลาวนะ่ก็มีการเผามากนะถ้าจากภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นเป็นจุดสีแดงในจำนวนมากรนะวมทั้งในบ้านเราด้วยนะครับนะพรเกษตรก ร, ร, กรคงจะต้องมีการ ปรับปรุงรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้กั น, กนให้ดีแล้วฟังเพลงกันสักเพลงก่อนที่เราจะมาพูดมาคุยกันต่อครับ วันเพ็ญหอมเปล่งสีอายขอฝากพักน้องฝากไพตรีโอดสงสารไป อดสงสารปานีลเล็นใจนี่นี่จากปานนามาน้องฟังกระคองความห้าให้สดใสยันแต่น้องคนดีก็เห็น พูดมาคุยกันต่อนะครับนะว่าเป็นอย่างไรกั น, ก, นกันบ้างนะครับในในช่วงนี้เราก็จะเห็นนะครับนะว่าในส่วนของของรัฐบาลนี่ผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดิจิ t อ l Wallet นะหนึ0 0 0บาทนะก็ยืนยันว่าจะผลักดันแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องฟังเสียงสะท้อนนะครับจากหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นปปชนะครับนะได้ส่ง ข้อเสนอเน่ยข้อมาให้ให้รัฐบาลพิจารณานะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของของการดิจิตอลวันเล็ศนีนะครับเว่าใ ห, ให้ให้ดูว่าประเด็นต่างๆเนี่ยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะอย่างเช่นแปดข้อเนี่ยรัฐบาลอันแร ก, กรัฐบาลคนศึกษาชี้แจงให้ชัดเจนว่าผู้ได้รับผลประโยชน์เนี่ยเป็นใครนะครับนะอันที่2ก็คือการหาเสียงนะ ใ ห, ใ ห, ใ ห, ใ ห, ให้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะแะอันที่3นี่โครงการที่ i t ต้อ a l l e t คำนึงถึงความจำเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้น ต, ตรงนี้ต้องดูนะครับนะแล้วก็มีความเสี่ยงด้านกฎหมายหรือไม่อันที่5ก็ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินโครงการอย่างรอบด้านนะครับประเด็นที่6กนี่ก็คือการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เนี่ยนะครับนะเหมาะสมหรือไม่ นะครับนะแล้วก็อันที่7ก็หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจของหน่วยงานต่างๆก็ต้องฟังนะครับว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจจริงหรือไม่และข้อแปดก็คือข้อเสนอทางวิชาการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็เป็นการยื่นข้อเสนอที่มามาให้รัฐบาลแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนของนายยงตรีนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่ารัฐมนตรีครังบอกว่าข้อเสนอนี่ก็น้อมรับฟังแล้วครับนะก็จะต้อง เอาเข้าไปที่ประชุมอนุกรรมการพิจารณ า, อ ย, าอย่างรอบด้านนะครับนะก็ต้องติดตามดูเพราะว่าโครงการนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะของขอ ง, ของรัฐบาลนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรกันกันบ้างนะครับนะเพราะตอนนี้ในส่วนของประชาชนนี่ก็รออยู่เหมือนกันว่าจะมีมนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านไหนบ้างที่จะออกมานะครับเพราะาเศรษฐกิจชะลอตัวกันพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้ ต้องดูกันหลายๆภาคส่วนะครับนะ ว, ว่าจะทำอย่างไรนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในโครงการดิจิตอ l วอล l ล็เนี่ยก็เป็นโครงการหลักโครงการหนึ่งที่ที่รัฐบาลนี่ผลักดันกันอยู่นะครับพยายามที่จะผลักดันให้ให้ให้มีมีการผลักดันนโยบายออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับว่าเพราะว่าจะเป็นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพาราะฉะนั้นตรงนี้คงจะต้อง ดูกันในหลายๆภาคส่วนนะครับมาดูในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเรียกร้องของกระทรวงศึกษาธิการล้วครับนะว่าจะไม่ให้มีครูเวรประจําอยู่ตามโรงเรียนนะแล้วก็จะมีการจัดสรรอาจา์นักการพ ร, รงเนี่ยมานะครับนะซึ่งมาเสริมแล้วครับนะเพราะว่ามีกรณีที่ครูสตรีเนี่ยถูกรอบทำร้ายอะไรต่างๆเนี่ย ก, ก็เป็นประเด็นว่าครูนี่ควรจะสอนอย่างเดียวจะ การเปิดเผยของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนักตีช่วยศึกษาก็บอกว่าอาจจะนำเข้าเสนอที่ประชุมอัตราภ า, าโลงเนี่ยนะครับนะใ น, นในในการประชุมคลมสัปดาห์หน้านะครับนะซึ่งก็ตอนนี้ยังขาดอยู่ประมาณ 1,2837 อัราิตราได้อัตราเงินเดือนละ9 0้0บาทต่อเดือนนะครับนะก็จะมีการจ้างนะในช่วงนี้นะคะใช้งบประมาณประมาณ500ล้า น, นะว่างันน้นแต่ว่า ก็จะพยายามผลักดันเพื่อที่จะให้มีนักการพะโลงเนี่ยมาอาจจะมาต้องมาช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาอาการเฝ้าการระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานศึกษาเนี่ยนะครับนะมีการผลักดันนะกันขึ้นมาเพราะว่ า, าจริงๆแล้วก็ครูก็มีมีปัญหากันกันมากโดยเฉพาะครูที่ไป อ, อยู่เวนนะครับนะอยู่เวนนะแม้ในช่วงกลางวันถ้าเป็นครูสตรีนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะครับนะเพราะ อาจจะมีคนร้ายเข้าไปไปจี้ไปป้นอะไรต่างๆกันนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องคงจะต้องดูให้ให้รอบด้านครูนี่ก็มีภารกิจหลายอย่างนะฮะทั้งด้านด้านการสอนบ้างนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะต้องมาดูแลในโครงการอะไรต่างๆงานเอกสารงานอะไรต่างๆนี่มากมายแล้วครับนะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่า อาจจะแก้แก้ปัญหาอะไรอย่างใรนะครับนะให้ให้รู้ล่วงไปด้วยดีนะครับนะในช่วงนี้นี่ก็อย่างอย่างอย่างที่บอกแล้วครับนะว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษานี่ก็ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับที่รัฐจะต้องแก้ไขก็คือในประเด็นที่วัยรุ่นหรือว่าพวกวัยรุ่นพวกนักเรียนนะนักเรียนช่างกลอะไรต่างๆเนื้อ ยกขบวนมาทำไล้กันบ้างนะยิงกันนะมีเสียชีวิตอะไรต่างๆเป็นคดีกันอยู่นะครับนะเพราะพยายามที่จะต้องมีการจะปรับหลักสูตรมีการจัดระบบการเรียนการสอนหรือไม่นะครับนัที่จะไม่ให้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นบ้างนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปมีเรื่องมีราวกันนะซึ่งในส่วนของของตำรวจเนี่ยก็พอบอรตรลอกบอกว่าจะ ลดอายุนะของของของเด็กลงนะครับนะหรืออาจจะเพิ่มขึ้นนะครับนะซึ่งก็ตกถกกันอยู่นะเสนอให้เพิ่มอายุขึ้นนะครับนะก็จะทําให้อ่าตรงนี้นี่ก็โทษก็ค่อนข้างจะแรงหลายฝ่ายก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับก็จะให้เพิ่มจํานวนอายุขึ้นนะหรือว่าจะมีบทมาตรการอะไรที่จะป้องกันไม่ให้มีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของวัยรุ่นนะครับนะในขณะทีะ่ตอนนี้นี่ กระแสเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่านะฮะวีซ่าการปลอดวีซ่าระหว่างไทยกับจีนนี่ก็หลายฝ่ายจ้องอยู่ว่าอาจจะทําให้ยอดนักท่องเที่ยวจีนมาไทยมากขึ้นแล้วก็จะทําให้ฟื้นฟูระบบรายได้จากเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนี่มากนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็ดูนะครับอาจจะต้องให้ชุมชนนะมาช่วยนะมีส่วนร่วมในเรื่องของการ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 ฟังคำเยอยมาเสียดสีทิ้มแทงในใจปลักสให้ไปไกลาตาข้ามีก็เพียงดอกยาเจ้าดอกฟ้างาเมเด่นรักจริงจากพี่ชาวดินอยู่พินจึงมองไม ชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็นเจ้า าสนาพี่ต่าคิดหาคนช่วยปลอบใจนี่ชะในแผลใจลุกลางรักต้องติดลบเมื่อได้พบคน ง, งามปวดใจเชาวคำครวรรักรํำก่อน